พระธรรมเทศนาแผ่นที่50ลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2555มีชื่อเรื่องว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ผู้มือที่ไปใส่ตรงเบงตะล่างตะล่างเดินทางให้กษัาริย์ทิศท่องจันทร์เหมืลูกหลานเลยเจ้าม่ยังต้องม่ยังอรรถห้าดังเถื่อเฮาหย่านเสียการเสียงานกับเจ้าท่อกันกไปย่านเสียการเสียงานอย่างไรก็คือเขานัดนัดเรียบร้อยเป็นเฮาลืมบ่เนี่ย โมแมนต์นอื่ น, นของการเทาบอลืมเพรากะกทิศบอกไปว่าเอน้ากิศแจ้งข่าวไปเออหลวงพ่อติดโทรยังนักเนดะ้บอบ๊สบายเนดะ้อกทิศแจ้งบอกกอนอันนั้นแปลว่าเป็นจิตญาลักษณะห้างเถอมันลืมเรื่องบาดไหนที่ไหนไพ่ที่รับประกันความลืมใดบาดเลยพุกข่ายจะบอลลืมหรืประกันเหมือนประกันความลืมมืนตัวลื ม, ต, ลมตัวประกั น, นกทิศลืมอีกคนลืมประกันท่า น, นั้นอีกคนไปนี่แหละ นร่วงพ่อนึ่งคึดยากอยู่แต่บานนี้จะให้พระให้พระจำซอยปั้นก็บไม่นาทีของเพินพอปันไหนบ้าบางที่จจดเศีกระดาษบางที่นิมนต์แล้วลืมจะจดเศีกระดาษทีนี้นปัเนีย่ยเนี่ยว่าลืมเอพระศประกันประกันไ่ว่าประกันความลืมหลงพอ่อได้ยินพระเทระผู้ใหญ่ทางในวงนิมนต์ พอในม่อนแล้วบานมมานี้ยเป็นเรืมหมดเลยคือผานในว่างเนี่ยคนในม่อนเป็นเกาองคศรน่ะกระทาไม่จริง น, นะแตจะมีผู้ติดตามมาผู้มาบอกกะคงจะเป็นนิมนต์เป็นส่วนส่วนพระองค์ท่นมั้งภาผู้ใหญ่บัดหอดเบื่อแต่เนเรื่มหมดเลยเรื่มไปได้ไปพอได้ไปผ่านบานเนี่งานกระพานมาเขาก็เลยโทษถามมาบอกคนว่าเป็นอะไรท่าน หลวงปู่เจ้าระคุณเป็นจึงบดายไปงานเมืองนี้โอ้ยตอานานั้น่ะผู้เฒ่าเสียใจอย่างมากเลย ใ, ใครๆว่าบอ้ความใส่ใจแขกผู้ใหญ่เพิ่นเสียใจยั่งมาก <c oughs> เกือบจะว่าสลบไปเลยแล้วกันไปแต่หลวงพ่อหนึ่งขี้โพอปันนั่นออกว่าทั้งที่เสียใจปนไอ้หลวงพอ่อกิดขี่โพอปันนั่นมาเพราะเไตุด ก็คิดว่าเนะี่ยธรรมดามันลืมอี่เจอไหนล่ะคือเกินกั้วน้ะอือย่างหลวงพ่อตอบเขานะ่ะอหลวงพ่อมีถุนละไปได้ป๋อเข้าก็ว่าก็ได้คั้นมีถุนละจําเป็นอิเล่เขาสิไปก็ไปได้แต่ถิมพะละอื่นถิมทุระอื่นอถิมทุระอื่นพละอื่ น, ะะ น, ะะนตัวใดสําคัญกว่ากันก็นาจะไปต้นนั้นได้ค่ะมันสําคัญอิเล่เลย การบอกสำคัญมันกับํากึ่งกันมันกับมันไปบุหรีแล้วเพราะมันกํากึ่งกันคำมันสําคัญละเอียดมันก็ต้องไปได้อคือกันกขาเฒาตายอริีแล้วธุรการงานอันนั้นกับจำเป็นอันนี้สําคัญบ้าตายแต่สำคัญกว่าบานเนี่ยก็เลยต้องตายอยู่นะถิมมัดบ้านเนี่ยเขาต้องขึ้นซันแม่บรรเทาตายเขาถิมมองงานโอ้ยถิมกระครับ จำเป็นสำคัญขนาดนี้ก็ถิมมัดลงไปนี่แหละอันนั้นคืออพอเหตุใดเพราะมันจําเป็นจะต้องไปจุดนั้นเลยมันป่วยเลยมันสิตายได้มันป่วยเลยมันหมดสภาพเลยเดยเหตุอย่างไรงานจําเป็นสําคัญทั้งหลายมันก็ต้องถิมนี่คือกันนั่นแหละเข้าจะไปหาคือบางงานอย่างอื่นจําเป็นสําคัญเข้าก็ต้องมาวัดปังสกันกันเมืองก้อนกันไม่จําเป็นเออเอา ก็บอกว่าคันคำว่ามันบมดจาเป็นขนาดใดขนาดหนึ่งก็เอายวนยวนกันกันจะไปรับพาละทุละทุกสิ่งทุกอย่างผู้นั่นจีมาผู้นี่จีไปอกิจผู้ละผู้นั่นผู้เด็กโอ้มีแต่เรื่องจุงเยิงบุญไหว้แต่ละมือมันก็บวไหวยู่กันเด้อย่างหลวงตามาหาบัวปัญวานี่ยมันสีไว้บอกเข้าผู้เดียวไหมข้นทั้งแผ่นดิน มาจะมานางรับแขกรับพ้นแมนอยู่แล้วผูดอันมานามั่งมืออะไรก็ไปพูดอันมาแล้วฟัว่ ง, งแล้วก็ไปผูดอันขืนมาแล้วก็นได้พบทำธุระจกคลองแล้วอได้ถวายสิ่งถวายคลองอย่งแล้วก็ไปวาระเฮ้านางเฝ้าในระบัดเฮ้านางอยู่ดีคือกันกับนักมวยยืนยูบบนเวทที่โปรไดขึ้นมากระชกโปรไดขึ้นมากระชก เอาไปมากมันแพ้หดม้ยเลี่ยงควายหมดแล้วพมมันบอกนชิชนะนามุยเอกเน่ยเหังไอผู้นั้นขึ้นมาผู้ใดก็มาถอยซกเราก็งงเงี้งเงนตัวบานนี่คือกันผู้ใดจะเขามากไอ้ดยังใจเจ้าของผู้นั้นมากกอยากพผู้นั้นมากกะอยากพอผู้นั้นก็มากกอยากเบาอยากวานั่บาดานเฮาอยู่ผู้เดียวถะเฮ็ุยังไงมันหลายคนมันจะไหวปะ มันบ่อวเลยอาเรื่องถือเข้ากับลบคือกันคณะว่าเข้าลบบางกลุ่มกับกับมากเลยบ๊พ่อใจแหละเสียใจแหละ ว, ว่ามาแต่กวงตะไก่มาเพิ่นกับบรับแขกเออมาตะไก่เพิ่นกับบรับเจริญราษฎร์อย่างไหนปฏิตายแพร่มันเมื่อยแล้วไปเออไปให้เจริเพิ่นรับกูกูกูค้อนกบอับบไหวขึ้ น, นสิ่งมโนในพวกผู้ที่จะไปหาคู่บาอาจารย์พระ มันต้องเบิ่งหนาเบิ่งหลังเบิ่ง d ายเบิ่งขวาเบิ่งสูงเบิ่งตำ่ำเบิ่งสิ่งขวรบอกข่วนโมเมนต์จะให้ได้ยังใจเจ้าของทุกอย่างจะไปได้ใดจังไดสิ่งมูลเนี้เขาเป็นศิทธ์คณะสิทธิ์ญาณุศิทธ์ต่อไปต้องได้คิดคิดกันนั่นแหละจะไปหาครูบาอาจารย์ได้พบปังบริภบบังกันบริภบังก็เออเขียนจดมหมายไว้ บอกฝากไว้เป็นไา้รักอักษรไว้กับเ พ, เพนนเเื่อนๆฉันสั่งเงี้ยสีพูนังพูดนี้มาเปิเกิดจะเบิ่งเอือเออยอ๋อโวยบาไหวละเฮาจะไปรับคูู่คค่คคนบาไหลวลวตายเฮาเมื่อยบาไหวสุขภาพเขาแย่แล้วเนะงีสี่แล้วอ้างเทือกูบาอาจารย์มันก็นเข่าอูขึ้นกันเ น, นี้ยมหายามลดเข่าอูยังจะไหนเี้สีเอามาแลน่น ออกมาทำงานกับบ่อใดย่ามเพิ่นเขาอูกันย่างเพิ่นเจ็บเพิ่นป่วยเพิ่นไข่แล้วก็จะไปหาเขาไปหาเพิ่นย่างนั้นอีกกับบ่อใดอมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นสยามพูพระพระพุทธเจ้าเนี่ยโปรดโลกอีหลีได้เป็นอยังว่าโปรดโลกคือท่านสุพัทธะสุพัทธะปริพ่าชกพระพุทธเจ้าได้ตัดฉลูไม่ พรดตตรดสรุ ป, เปนเดินไปโปรดปัญจวคีทั้งห้าบานั้ไปเจอปริพาชกปริพาชพกผู้นี้ให้ข่าวาฟ่งฟังในประวัติเนี่ยเหมือนเหมือนจะเป็นศากย ะ, ะนะเป็นวงสากยะแต่เป็นผูนับถือหรือเป็นผูกแข่งให้ศาสนาแข่งในลัทธิหนึ่งว่นออกไปประเดินเดินทางเตินทางมา มาพบมาเจองพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เดินทางไปส่วนท่านสมณะดูสุขภาพร่างกายของท่านเปล่งปั่งสดใสดีเลยท่านบวชในศาสนาไหนท่านเลื่อมใสนในศาสนาอะไรดูแล้วท่านรู้สึกว่าเ อ, อิบอิม่มหน้าเลื่อมใสท่านบวชในศาสนาอะไรพระพุทธเจ้าเพิ่งจะตอบความตามความเป็นจริงเป็นก็บอกว่า เราเป็นสยามโูรู้แจ้งโลกเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อนต่อแบบชุดๆสุปัฏฐานอย่างน้แหละบลีนพลวงพ่อไปใ้ค่าย่าให้่ายมาแสดงความบอกขอรบแสดงความบ่ยินดีมไปเฮ้ยขี่คุยลักษณะลังษณะนก็เป็นภาษาบ้านเฮาพ่อเห็นแล้วเฮ้ยคือเป็นขี่คุยเนาะก็เลยเดินสวนทางกันไป ทั้งที่จะถามธรรมะธรรมนบาศเราไป เ, ป เ, ปเปห็เนอะไรที่บอกบอกแย่พดลักษณะอย่าง น, นั้นแต่ในกับพ่อต่อมาต่อมา ก, ก็ได้ยินกิตติสัพพรพุทธเจ้าในเรื่องลื่อเลยๆแบบนั้นเสียงดังกับเพื่อมไปเรื่อยๆทุกห่วงหลายแห่ ง, ง, ง, งแต่การกันสิข่าไปกยันเสียเปรียบไปเนเออบ่าเอาไปมาก พ, พุทธเ จ, จาเ้ า, าจะปรินิพานได้ขึ้นเลยวันนี้เอียนปรินิพานใน้ขึ้นเลย ขั้นโมเขา้าขึ้นเลแปลว่ามดโอกาสจะได้ฟังเทศจะได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้ามัดโอกาสแล้วลขั้นสี่มีทิฏฐิมานะอยู่จริงๆต้องเข้าไปเห็นไหบ่ายใ้พระพุทธเจ้านอนอยู่ตนตนรังทั้งคู่ไปที่กุสินารา ท, ที่สวนอุทยานะมันลกษัตริย์แต่นี่พระสงฆ์ต่างหารอยมีพระอนอนเป็นพุทธอุปถากดูแลอยู่ทั้งนอกก็มีพวก มันลักลอบซัดหอมล่อมิวทั้ทงนอกวงนอกทั้งฝ่ายในเลยคือพระสงฆ์พระพุทธเจ้าว่านอนเสีหายสยาะแต่นี่ชุพัฒทะผู้นี้เลยจะเข้าไปคนะจะไปฟังจะไปขอไปพบพระพุทธเจ้าในที่พระพุทธเจ้าจะประินิพานอยู่นะพวกพระสงฆ์ก็หา้ามมันไปมาหาพระนนท์จะเข้ามาบริสันสุพัฒทะเด้เป็นเสื้อพระองค์พระนนท์โอ้ยบ่ได คณะนี่เขาม้าไดจังใดสันต่กอนยังบกเขามาสพระพุทธองค์ตอนใกล้จะลุงหรจะปรินีพานแล้วตายแล้วสัน เ, นเองจะเขามาใดจังใดบ่บ่บ่ไว้ขเขามาพระพุทธเจ้าปเปนยินเดยว่าเออ<ม>เนยินว่าพวกกำลังหามโสเลกันอยนพระพุทธองค์บอกนอนุนให้เขาเข้ามาที่เราตถาคต มาถึงจุดนี้เราตถาคตนี่แหละมาโปรดคนคนนี่แหละเออมาโปรดนี่แหละสุภัทนานี่แหละนี่แหละเป็นลูกชิดคนสุดท้ายป่อยนันใขขย่ให้เขาเขามาเลยให้เขาเขามาเรามาจิมาโปรดผู้นี้แหละที่เขามาเดินทางมาถึงจุดนี้ พ, น พ, พุ่ะพพรทธเจ้าว่นเมน ร, รมนะุเท่ามดดาเนเออ เพ่นมองเห็นจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ใดเพราะต้องไปมงหันขนาดเคือกสุดท้ายที่ปรินญาพานแล้วพคนยังมีเมตตาที่จะแนะนำสอนสุปัฏฐ์พ่อสุปัฏฐ์เขามากเลยครับมากับปนกันอนมากกับกนนน ม, ากกมากถามปัญหาเลยแล้วศาสนานั้นศาสนาปีเป็นยังสั้นเป็นจังสี่มีความคิดเห็นยังสั้นยังสี่ไห พระพุทเจ้าบอกว่าสุภทะบ่ต้องเบ่าถึงศาสนาอื่นออกเราบ่กมีเวลาที่จะเผาเบ้ า, บาแล้วในเรื่องเล่านั้นนี่เราจะบอกให้ฟังตั้งใจฟังฝ่าดีผลเก็ตั้งใจฟังแล้วพระองค์ก็นี่แลหละเทศเรื่องอริยสัจให้ฟังได้หมนไปเอเหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างไงทุกสจำูให้ด้โหลดมกักกรรมตันหาภาวะฐานหาวิภาวะฐาแบบรัวปรัดตัวไป พ่อว่าแล้วปะไปปฏิบัติพ่อฟังจบเลยกออกไปหลังหลังม่านไปนั่งพ่อหน้าปฏิบัติได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นองค์สุด้ายที่ได้รับโอวาทจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาปโปรดนี่แหละมาปโปรดพระองค์นี่สุภัททะที่ได้ฟังทำคําสอนพระพุทธเจ้า นี่อันนี้คือสรุปเล้วคือพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นสยามผู้รูแจ้งโลกขนาดเพ่นป่วยอาการนักเพียบขนาดนั้นเพ่นก็นยังเดินทางมามาถึงเมืองกุศิานาลาวณาอุทยานของมันลักษัิย์ แปลว่าขึ้คืนวันก็พึ่งมาถึงตอนหัวคําอีกต่างหากพราะมาถึงตอนหัวคำก่อนเป็นฮาจัดที่พักเลยพระสงฆ์กับจัดที่พักพระอนุอนกับลาดปู่ผาสังฆาติผ่าหฮมกันหนาวตีเป็นซีสันลาดลงไปแล้วก็จัดที่นอนที่บรรทมพระพุทธเจ้าจากนั้นพระพุทธเจ้าบอกให้พระอนุอนไปบอกพวกกษัตริย์มัณฑ์กษัตริย์มามาเฝ้านะ แต่พวกมักษกษัตริย์แต่ยิ้นข้าวกดลังไหลออกมาหรืบา้าไหนพวกเขาเขเคารพนับถือพระพุทธเจ้ายึดประจัยสธานะขมเป็นลักอยู่แล้วนี่แหละตอนหนึ่งในที่ว่าพระ น, นุนปล่อยให้พวกมักษกษัตริย์กราบแล้วก็ปล่อยให้พวกผู้ยิ่งเข้ามาอีกมากกว่าไปล่องห่มล่องไห้น้ําตาฟุ้ยไา่แถวหน น, นน้อไปถ้าพระนุ่นยังว่าห้ามลักษณะอย่างสั้นละ่ะพระ น, นุนกับจักรีว่าจังไรกันไปพราะเขาเคารพนับถือเหลื่อมใส่ อยังคนที่เขามากราบลงตานะั่นแะหผู้ใดเขามากันไม่ใช่เขามากาาไ ก, ไไกไไ่เอ่ไปเฮ็ดยังไงล่ะไอ้ผู้ที่หามกันมิตรหามเอาไปมากผู้ที่หามกขาพูดที่อยากเข้ามากนะเอาไปมากทะเลาะกันที่มั่งว่างมัดว่างม้วยกันบหมด้เลยมันเป็นกิเลสไปไน็นไรฝันมันโมเมนทะั่มเลยจะเฮ็ดยังไงล่ะไอ้ผู้ที่หามเลยก็ะแมงกูบาาจารย์ระดับนี้แหละเป็นยังตะกอนยังบอกเขามากจะดูอยู่ใส บรรดาเพิ่นปานนี่แหละมัจะเข้ามาได้จังไหนเฮมันก็แแมนหมดไปใครนึว่าพูดที่เข้ามาเลยก็เ อ, อ้าวจะไปข่ามไปเหยียงเนี่ยข้าวในโเข้าวจะได้ไปกราบพ่อแม่คู่บ่าจานขั้งทุตไทยจะได้เห็นผลเป็นที่ประทับใจขัง้งสุตไทยจะไปกราบพ่อแม่คู่บ่าจานมันก็แแมงนไปเออแต่เหตุจังไลยมันถือพ่อเหมาะพ่อสมบัติเนี่ยจุดที่ว่าพ่อดีพ่องามหมดไปนี่แหละลงพรอม เขาไปตูแรกจัดการงานของลงตาข้าวที่แล้วนี่ยเบ้าเรื่องเนี้โอ้พ่อแห้งขึ้นกันคือห้ามแล้วก็ให้ค้นอยู่ไกล้ๆบนานขันเขาไปกราบไก่กระยานเอาวัดเอาไอเอาเชือไว้รัดเขาไปหาเพิ่นอีกเพิ่นป่วยพ่อแห้งแล้วขันบวเขอให้เข้าไปใกล้เขาบเขาไปกราบใครให้จังไหนต่างคนกต่ักอย่าเห็นเพราะเขารพ่อแม่คูบาอาจารย์ ของเจ้าของขังสุดท้ายใครน่งเฝ้าก็เฝอลงไปเฝ้ออิรแล้ะมือนนะั่นพวกนางเฝ้านางสาวปราบเร็วนั่นไปแต่อยู่ทั้งนอกนอกห้องห้องกระจกยังสีแ่แหละอันนี้ก็คืออย่างก็คือเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของพี่น้องประชาชนผู้ที่เขารบนับถือจังสันมีมากป๋อก็บ่มากมบ่เป็นจังสันทุกคน แต่บางคนกันเห็นแล้วก็เมื่อนเฉยอีกต่างหากบาเคารลบ่นับถือบ่นเรื่อมใสก็มีอีกที่ผู้คารลนับถือเรื่อมใส่ยังพระพุทธเจ้าพ่อแม่คู่บ่าจานอีกมากมากอีกขึ้นกันนี่แหละอันนี้ก็คือออกมาทางด้านจิตด้านใจของพี่น้องศรัทธาประชาชนที่จะฟังโอวาดถ้ำคําสอนของเพลิ่งเกิดความเคอลลบนับถือเรื่มใส่นี่แหละอันนี้ก็คือพูดถึง ความเคารพโปรดมีพระเมตตาของพระพุทธเจ้าอที่ชุศกันนะพอใกล้จะสว่างเป็นมือไม่พระพุทธเจ้าได้ตัดนะเป็นปัจฉิมโอวาดนะเป็นโอวาดขังทุดไทนะที่หลวงพ่อน้ามาวงบอกแกพวกเฮาฟังอยู่มากไม้เลยนะขยะวิยะธรรมาสร้างฆ้ารานะตาเมจริงพันม่วกว่าวนิว แต่หลวงพอ่อเอาความสัมนสนมั่วเบาหลดมันออปให้จําง่ายๆเฮ้ยพจนบอกว่าสังขารทั้งหลายเป็นของบอ่เทียงร่างกายของขา้าวในบ่เทียงนะัอ่อจะไปห า, หาลุ่มหลงมั่วเมาจนเกิดไปเกิดมาแหละแกเจ็บตายผมมีพลได้สิยู่นา่นเท่านาั้นได้ยืนมืออยู่ยืมืออยู่หายใจบ่เข่าบอ่อออกแม่นโหลดแล้วแหละสังขารมันบ่เทียงขนาดนั้นแล้ ขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนค่ำสองประโยชน์เลยประโยชน์ตนประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาทเถิด จ, จากนั้นก็บปิดพระโอษฐ์ปิดว่าจ่า่อว่าอีกจากนั้นก็ทําการปรินีพานเลยบัณฑ์เข่าชาญเลยบัณฑ์นี่เข่าชาญเข่าสมาบัตของเพลนเลยเข่าชาญของเพลนเลยเข่าสมาธิของเพนเลเพนแล้ว ด่อนเขามาหาสมาธิของเพิินลรบันแอบพวกเขาก็เห็นแต่กายเพินเท่านั้นะใจเพลินบ่เห็นหรือบันเพินจะเข่าจังไหนฮะเพลินเบ่งเองเพนเบ่งใจของเพินระบายประโยชน์ตนก็คือยังสูเจ้าทั้งหลายทำล้งชีบโยอยากี่เกียรติแกี่ขานอทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทั้งศีลทั้งธรรมขยันให้ประมาทหาหนทางเจ้าของเน้อทั้งศีลทั้งธรรมทั้งบุญทั้งกุศล ย่าประมาททางโลกก็ยาประมาททรรมะหาเรียงชีพปัจจัยซีย่าให้ขาดตกบกพ่องแต่พร้อมกันไงให้หูจักศีลหูจักร้ำให้หูจักสร้างบุญสร้างกุศลขก็สู้จิตใจย่าตั้งอยู่ในความประมาทประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็นเออพอจีซอยสงขคราะนุเคราะห์ เ, ห ม, เมื่อเฮามีมีไอชีพมีวิ ช, ชาที่จะสอนคนอื่นพอจีซอยเหลือคนอื่นใด้ ให้ซอยเหลือคนอื่นบางเนอะจะไปเห็นเบิ้งแต่เจ้าของให้เบิ้งผู้อื่นนั่มอันนี้แหละคือความเจริญออืให้ทำอะไรทั้งสองอย่างคือความบอประมาทจากนั้นโป่งก็ทําการปริเนปทานอย่างว่าเข่าสมาธิปฐมมชานปฐมมชาน ต, ตุติเจชานต ต, ติยจชานจะตุตชาน ชาตนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แล้วก็แปลว่าเขาเลื่อยไปอีกคนนเนแปเข่าเนวะสัญญาณจนถึงชัญญาเวทะยิตนิโรธสมาบัตแปลว่าสูงทุดในสมาบัติแปลว่า ลูกประชานอาลูกประชานแปลว่าอาลูกจากนักรยอนลงมาเนีย่านชานที่หชา้นที่เจ็ที่หาที่สีที่สามที่สองที่หนึ่งค่ะพอถึงที่หนึ่งย้อนไปอีกที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่พอระวังที่สกับที่หาเพระพุทธเจ้าปรินีพานในระวังชาลูกประชานและอาลูกประชานในระวังที่หา ที่สี่ที่สิบที่หจะตุดจะชาตปรินิพานมัด น, นอกเหนือจากสมุติทั้งหลายทั้งปวงแปลว่าตามบ่อพอตามบพ่มบพบเถอะไเข่ากีบเมฆไปแล้วไงมันภาษาบานเฮาไปแจ๊กไปไซไปเถอไปหายต่อมเลยหายเข่ากีบเมฆเลยเขา้าสู่ปรินิพานไปแล้วนอกจากสมมุติเหนือจากสมมุติทั้งหลายทั้งปวง เอาสมุติเขาไปว่าบ่หใดมองกันจากแม่เนี้ยเหนือจากสมุิสมุิบ่ถูกจังวะนิพพานังประมังสุญยังน yes. ิพพานังประมังสุขขังไได้บ่อได้สองขั้มอันนี้ขัามสองขมนี่ก็มาเถียงกันอีกมานี่ยพวกเข้าสุญแล้วไปยังยังสุขสุขแล้วไปยังยังสุญนั่นสิสุญอะไรจังไหนมันมันสุญแล้วมันจะสุขอะไรจังไหนมันสุขแล้วคำว่าสุญน่ะคือยังมาเถียงกันอีกเนี่จุดนี้ แต่ว่าเป็นอยังพระพุทธเจ้าพลันเขาช้านเนี่ยมันไผเป็นผู้หูพลันไปนี่พานล่ะอไผ่จะเป็นผู้บอกเข้าเดาจังสันแมนบอสอันนี้พระอนุรธธุทธะเป็นลูกผู้น้องของพระพุทธเจ้าคือกันกับพระอนธธนัก็เป็นลูกผู้น้องคือกันเนี่ยพระอนุรุทธะนี่ยก็เป็นลูกผู้น้องอีกพอนึ่งว่าท่านแปลเพราะว่าพอพระพุทธเจ้าเนี่ยพระบิดาพระพุทธเจ้ามีพี่นอนท์กันสีคนเนี่ ชุดโทตระสุโกตระโทโตตระอามิโตทนะเนี่ยสี่ผีหน่องบาดในลูกของแต่ละค น, นก็บมีอีกบาดในพระอนุรุธานจะเป็นลูกองคใดองเพิ่ง ม, มาบวชนพระภูติเจ้าบวชนะเพิ่นพวนาเนี่เพิ่นได้สําเร็จเป็นพระหรับนบาดในเป็นผู้มีวิ ช, ชาเป็นผู้มีญานมีวิ ช, ชาเหนือกว่าภิกษุทั้งหลาย เวลานางเก่าสมาธิเนี่ยผู้ใดนึกคิดอย่างไรเป็นหูปัดเ อ, อนทุติอนุนไปคล้ายๆว่าหูจักความนึกคิดของคนผู้ใดที่นึกคิดเรื่องไหนพป็นอยู่หูปัดเป็นทีเบิงหูจกักลดความนึกคิดของคนมีวิชาพระพุทธเจ้าวันหยกยองวันนี้อนุรุธาเห น, นือกว่าภิกษุทั้งหลายเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทั้งภิกษุนี่และภิกษุที่เป็นพระหรหัน เป็นผู้หลูวราจิตของผู้อื่นกว่าทุกๆคนกว่าทุกๆองค์ที่เป็นลูกศิษย์ของเราตถาคตนี่แหละมื่อนั่นเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานพระอนุลุทธะเป็นกระนั่งนั่งอยู่ในใกล้ๆพ่อพระพุทธองค์ปิดพระโอษฐ์เงียบขยะวยธรรมาสร้างข้าราอัปปมาเดนะสัมปาเดธาติ พอยุดท่านั้นว่าไปขอให้ท่านทั้งหลายสังขานทั้งหลายไม่เที่ยงขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดก็หยุดพูดเลยพอยุดพูดก็เงียบเงียบเราห่วงแล้วพระองค์จะปรินิพานหรืนี่ยตั้การปรินิพานก็ว่มีผู้ถามก็ถามพระ อ, อนุรุทธะท่านนุรธทนนร ธ, ทนนรธทพระพุทธองค์ไปถึงไหนแล้วเนี่ย พระ อ, อนุรุทธาเป็นผู้ได้รับเอตถค่ะอย่างที่ว่าน่ยพระ อ, อนุรุทธาก็ตามรลยท่านไปแอบกำหนดใจของตอนเองตามพระพุทธเจ้าเลยเออตามพระไถ่พระพุทธเจ้าเลตามความรู้ของพระพุทธเจ้าเลยตามตลอดลเลยท่ไปขณะที่พระ อ, องค์กําลังเข้าประถมมชานตุติเจชานตติเจ ช, ชานจตุเจ ช, ชานบอกให้พระสงฆ์ทั้งหลายรับทราบเลยนี่ยเรากําลังยอดกลับลงมาเออ ชาตที่ห้าชาตที่หกที่ห้าที่สี่ที่สามที่สองที่หนึ่งมาถึงชานที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้พระองค์กําลังจะกลับขึ้นไปอีกพอไปถึงในชาตที่สี่กับที่ห้าในระหว่างพระพุทธเจ้าปฏิทิพผ่านเนี่ยเขาสู่ในผพานในระหว่างสี่กับห้าพอได้ใิพ่านในระหว่างในชาติใดชานหนึ่งเขาอยู่ในระหว่างชานที่สี่กับชานที่ห้าระหว่างกลาง พระอนุรุทธาบอกว่าวพระพุทธองค์ปรินิพานแล้วจบแล้วคือกันกับหลวงตาของเขานะหลวงตาหลวงพอ่อพ่อหกทุ่มมากหมอก็บอกตั้งแต่ตอนหัวคำเลยตั้งแต่หัวคําตั้งแต่มัดมือทั้มด น, นะหมอศิริราชเขาหูุจักเลยเด็กเขาตรวจเบิ้งเขาเบิ้งเขาหูุแล้วเขาว่าคือหมอทั้งหลายกปขันศาสตร า, าจารย์ทั้งหมดเด็ก ที่มาเฝาลงต า, อ า, า น, นอาจารย์หมอที่พ้นอาจารย์หมอชุชัยอาจารย์หมอมีแต่ขันปลาร้าอาจารย์หมดเพราะว่าว่าหญิงเพิ่งกรประทับอยู่ในเมืองอุดอรเนี่ยประทับอยู่ในอุดอรเขาเขาก็ออกตอนแรเนกเพิ่งกระเขามากตอนกลางวันกระเขามากตอนเที่ยงกระเขามากแล้วก็ไปพักออกไปพักอยู่ที่พักของเพิ่นตำนักอยู่วัดเอาก่อนก็ออกไปพักอยู่อุดอรเพิ่นก็สร้างอีกว่า ถ้าหลงตามีอะไรเกิดขึ้นให้โทรตามด่วนเป็นบอกของท่นเนยะจะเป็นกางคำกลางขึ้นน่อนรับน่อนฝันทุก็นและกระไดว่นว่าแ่ะลงตาไม่อย่างให้บอกเพิ่นถ้านี่หลวงพอ่อในฐานะที่ว่าเป็นพระเนีย่ยจะว่าะระดับวูนาก็ราไดระดับผู้ใหญ่ยยที่ดูแลองค์ลงตายู่ ทั้งอาจารย์หมอนยพจนอาจารย์หมอชูชัยวาท่านอาจารย์วันนี้ท่านอาจารย์จะไปไหนนะท่านอาจารย์ให้เฝ้าขอยเฝ้าหลงตานะอาการหนักนะท่านอาจารย์นะเอ้ามือดเหมือนทุกวันไม่ใช่เหรออาจารย์หมอไม่ใช่นะท่านอาจารย์แวันนี้ไม่ใช่ล่ะวันนี้เนีเพราะว่าเขาตรวจทั้งไอหยางทั้งมดเตะทั้งหัวใจพ่อมทั้งเลือดทั้งไอหยางเขาเบิ่งมดแล้วเนาะไปเออเพราะผมเคยเคยอยู่ กับคนป่วยคนไข้มาพร้แห้งเนียเขากโอ้เาก็โอ้เอาจังไหนฮะนิวเข่าก็บอบสบายใจเคลื่อนแอ้ดงตาจะได้จากไปมนันี้แต่ว่าเบื้องหายใจยปกติโยเอาใส่เครื่องหายใจคอยหายใจแอเพราะกระุกกระดิกบางข้างโยนไปเอ้เขาก็นั่งเฝอนางเฝออะไพ่อคำอเหมยเดือบัน มือโอ้จากไหนก็ขอพักสักหน่อยซะ ก, ก่อนหรือเ่าคันมี่ยังก็ไปบอกแด้อว่าโดนรวนนะบอกพระบอกคนบอกไว้หลายหายคนอะไรเป็นต้นไปคือเผื่อนยนี่ยหัวมันจะพลาดกานบอกผู้หนึ่งผู้เดียวเดี๋ยวมันผู้นัน้นพระยูงใช่ไหมใชเข้าก็บอกไว้หลายหลายคนนะเอ้ไปดึงขาหลอดเด้อวะเอ้ผมจะขอไปหงีบสักหน่อยโอ้เบาไหวแต่ผมก็จิตมันจิตเป็นไข่เป็นหนาวอีต่างหากหนะะ่อเข้าก็คืนไป ไปพากกับสามสี่ทุ่มเลยสี่หาทุ่มนะพ่อไปไปพากกับพ่อเครื่เครืเปิบเคื่อกาว่าพาก็ตึงตึงตั้งกับมาตึงตั้งอว่าเขาก็ตึงตางลุกลนแล้วงไปอาจารย์อาจารย์อาหลวงตาอาการไม่ค่อยดีแด้วล้วนอาจารยเลยครับครับครับครับเขาก็ปุบปับไก็หอบผ่าคล้องผ่าไตนะว่าหอบอไรก็ผ่าคลมาตึงตึงนังไปบในล่างหัวตาเว่า พ่อไปหอดกับเบอร์กับปกติอยู่แต่ว่าเขาวบเครื่องมันขึนแล้วก็มันลงมันขึนแล้วก็มันลง่งขึ้นกับขึนบ่หลายลงก็ลงบ่หลายลงทีละหน่อยละหน่อยละหน่อ ย, อยเอาก็บเบื้องหอดลงถึงหกสิบเจ็ดสิบแต่ว่าต้องตํากว่านั้นเ อ, อถึงสิบไปได้เอากรนั่งจอง่จองกัเขาคน ทุนเชิญฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงกับบ้าที่หลังเฮ้าอยู่วะเฮ้าห่อ ห, หอดก่อนแต่ในพวกคณะแพทย์นั่งส า, าบลาไอที่กันนะทั้งพระก็นั่งอยู่ใีห้องเปิดแอร์ยั่งเต็มที่แลว้วเพราะมันพอมันอยู่ในห้องเหยองแอร์จากนั่งก็นังตาบก็ปิดเลยแต่ทุกคนหมดไปหลวงพ่อก็นังมองเห็นระกับกิริยา ท, ทุกอย่างนะนั่งอยู่ทั้งตีนหัวเพลินนะ พ่อกับเครื่องเดินเดินเดินเดินไปพ่อนี่ยนะบสามอย่างที่ว่านั่นนะอพ่อนี่ยลงเติรดทีเดียวทันเลยน ะ, ะปล่อยเลยถิ่งเลยนะแปลว่าพ้นยุดธนะลงตาดิพ่านเลยวันออไปจุดตีนิรพ่านเลอในช่วงนั้นเครื่องวัดเนะี่ยมันเท่าไหร่มั น, 60, มนหกสิบพุทธเด ตาตาไม่จริงเขาว่าบนบนหนาแน่น่ะมัต้องต่ากว่านี้แต่ลงตาพอถึงแต่หนะังตาว่างเติรดสื่อขิงหนึ่งเลยวันอาไปเครื่องเครื่องหัวใจมันยุดขิงหนึ่งเลยพวกนี้นก็พวกหมอเขาก็เบิงแล้วั่ออกไปแต่ลงพอบจ่กแล้วลงพอบมนหมอไหมเขาเลือกากรล้อลากรึเขาเฮ็ดยังไง บอก่าตาไปแล้วนะอีกสักพักหนึ่งหมอนดพลนก็เลยเข้าไปเอาเครื่องหูไปยามเบ่งหัวใจเบ่งทีประจอเสร็จนะแล้วหลงตาไปแล้วนะเวลาเท่าไหร่ น, ะนั่นละนี่แหละอันนี้ก็คือหลงตานิพานมือนั่นโอ้เป็นมือทีว่าเวอ่างวังทุกขู่ทุกคนวนันนัไป จะลดสังเวทใจหลมพ่อลมไส้ได้จากไปนี่แหละอันนี้หลวงพ่อมาในเบาให้แก่พวกเข้าได้ฟังได้ศึกษาเป็นเวลาหยุดเงวยบคันหม้อไปแล้วเดี๋ยวบนชันเข้าเด้ยผู้อยากฟังอยากไม่อยากฟังอยู่มั้งกันผู้ผูอยากฟังอยากจะมีอยู่ขึ้นกันนั่นแหะกันหลวงพ่อเบาเดี๋ย็มันกระสิตเดือนล่างหายไปมดไปมดไป คณะทด้ยังพ่อจําได้โดบอกให้ลูกให้ล้านให้คณะทัดท่าญาติโน้มโดยฟังเพื่อเป็นการศึกษาลูกแน่ว่างเป็นจังได้ในช่วงนั้นรับพ่อเนวานนี้นะ